ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องภูมิแปดวิพิสดาลของปวงสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานสันติอสุขขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้นะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคน <c oughs> วันนี้ก็พิเศษนะขอร้องให้ได้รับการขอร้องให้มาเทศ อ, <c oughs> อยากจะฟังทั้งเรื่องของภูมิแปดวิภูมิแปดวิ อาตมาก็คิดว่ามันคงจะต้องค่อยๆพูดกันไปแปดวินี่คงจะต้องบรรยายกันอีกยาวนานเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดทั้งภูมิโลกุตระหรือภูมิอาริยะภูมิกัลยาในชนภูมิปุตุชนมันครอบคลุมหมดนะภูมิแปดวินีภูมิภพภูมิแปดวินะพบภูมิที่สูงที่สุดคือภบภูมิที่ อาจมาตั้งชื่อเองนะอันนี้อาจมาบัญญัติเองไม่ใช่บัญญัติส่ไม่ได้บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญตัญญติบัญญัติบัญติเสริมบัญญัติสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสต่างๆมาเพื่อมากําหนดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องกําหนดหมายให้พวกเราได้เข้าใจใช้สื่ออย่างนี้คํานี้ความนี้อันนี้แล้วก็เอามาขยายความมันจะเข้าใจขึ้นภพภูมิสูงสุดคือภพวิหารภพวิหารรองลงมากับภพบวิมุติ รองลงมาอีกก็พบวิเวกรองลงมาอีกพบวิมานพบที่ห้าก็พบวิชัยพบที่หกก็พบวิกลพบที่เจ็ดก็พบวิปริตพบที่แปดก็คือพบวินาทนี่แปดวิ วิปริตวิปริตปอปลารอเรือสลีตเตเต่าวิปริตนะวิปริตแปลว่ามันผันแปรแปลว่ามันผิดทางวิปริตนี่มันผันแปรแล้วมันผิดทางแล้วมันมันเกิดการเบี่ยงเบนแล้วมันมันเกิดความเสื่อมเห็นได้ชัดแล้ววิปริตนี่เกิดความเสื่อมความผิดที่เห็นได้ชัดแล้วส่วนวิกลนั้น มันก็เริ่มแล้ววิกฤหมายเขาว่าเริ่มต้นชำรุดวิกฤตวิกฤวิการวิกลเนี่ยชักชำรุดละชักแหว่งละชักค่อยๆชำรุดละน้ําหนักมันจะถ้าวิปฤิตนี่น้ําหนักมันชัดแล้วมันผิดทางแล้วมันแปรเปลี่ยนแล้วแต่วิกฤนี่คือค่อยๆร่วงค่อยๆเสื่อมค่อยๆชำรุดไปเรื่อยวิกลส่วนวิชัยนั้นยังชนะอยู่ เพราะฉะนั้นในโลกียะนี่มีวิชัยเป็นตัวสำคัญเอาเอาเอาโลกียะก่อนนะโลกียะวิภูมิสีโลกียะวิชัยวิกลวิปริตนะก็วินาศเอาเริ่มต้นตั้งแต่วินาศไนะล่มาสักจากวินาศก่อนนะจะก็จะพูดผ่านพวกเราก็เขาฟังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหามากนะแต่เพื่อเพื่อตั้งหลักก่อน ทุกวันนี้นี่อาตมาว่ามันในขั้นวิปริตและวินาศวินาศก็เห็นสภาพของวินาศนี่ชัดคือความชิด p ายวินาศนี่ชิบภายบ w i s e บรรยกรแม้แต่ในสังคมระดับบริหารเหมือนกับคนหน้าด้านเห็นอยู่ว่าโอ้ก็มันผิดมันไม่เข้าทีเนี่ยมันเอาเปรียบอะไรมันเห็นแก่ตัว มันดึงดันอะไรก็แล้วแต่ชัดชัดอยู่แท้ๆว่ยมันเสียมันเสื่อมยกตัวอย่างเช่นซื้อเสียงเนี่ยมันผิดมันเลวก็ยังทำอยู่เห็นไหมมันน่าด้านหน้าทนแล้วมันไม่วินาทมันไม่จิบหายยังไงอ่ะนี่คนในระดับบริหารคนในระดับยกย่องต้องกราบต้องเคารพตามกฎถ้าเป็นทหารก็ต้องเบ้ไม่จับคักรังคุก อะไรอย่งใช่ไหมระดับก ฎ, ฎหลักเกณฑ์ของสังคมคือแปลของสังคมแต่ก็ทําช่วยงั้นแต่ก็ยังจํานวนเคารพอยู่นั่นแหละนี่คือความวินาศคือความชิบหายมันเห็นผลอยู่ชัดๆเลยว่ามันลบเหลวถ้าเผื่อว่าใครมาทําดีใครมาอะไรอะไรบ้างเห็นอยู่แล้ววันนี้ก็ทําดีอา้าวมีการฆ่ารอบฆ่าไม่รู้มือปืนที่ไหนมาฆ่าอย่างนี้ก็คือความวินาศ แล้วมือปืนที่จะไปฆ่านั่นคือคนไปขัดผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์ใครผลประโยชน์คนจนน่นเหรอเปล่ปาเลยผลประโยชน์คนรวยทุกคนมีอํานาจนั้นคนไม่มีอํานาจเลยผลประโยชน์ของคนไม่มีอํานาจไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนมีอํานาจนี่นั่นคือความชิ้หายเห็นเห็นอยู่รูปรอยอยู่ในสังคมมันมีอย่างเงี้ยราะนคนพวกนี้เนี่ยภพภูมิของเขาจิตวิญญาณของเขาเนี่ย เราตัดตัดหางปล่อยนรกไม่ใช่ปล่อยวัดนะจะไปไปปล่อยวัดไหนก็ไปปล่อยอย่ามาปล่อยวัดนี้พวกนี้ปล่อยวัดนี้ไม่เอาอ่ะตัดหางปล่อยนรกไปคนพวกนี้คือเราอย่าไปตอแยเขามันเขาทําร้ายได้โดยที่เขาพูดไม่เรื่องเราจะไปอกดีขัดแย้งใจเขาเขาไม่ชอบใจโกรธแค้นขึ้นมาเราพังแล้วก็มีอํานาจด้วยพวกนี้มีอํานาจบาดใหญ่หลายอย่างสิ่งอย่างนี้ท่านจะบอกให้ ละเว้นให้ไกลให้หลีกในโครงโลกกรนิดมีอะไรหลีคนพานหลีกระไรหลีช้างมา้างัวควายให้หลีกเท่านั้นเท่านี้อะไรจะมาจำไม่แม้โครงโลกกรนิดบทนี้ใครจำได้มั้งสิบศอกไม้อย่า ก, กลายเกลื่อนใกล้อะไรเนี่ยไม่รู้กันเลยเลยเนี่ยฮะฮะเรียน เอาสรสสัตยุกไหนไม่ยุกไห น, ไห น, ไหนโลกโคงโลกกระนิ ด, นนดเคยฟังแต่จําไม่ได้อัตมาก็ลืมไปแล้วลืมเดือนไปแต่ก็เคยพอจํำได้เนี่ยอย่างเงี้ยท่านบอกให้ดีช้างท่านจะเท่านั้นให้ดีมาให้ดีเท่า น, นี้ให้ดีแต่ลีกไอคนร้ายในใเฮลีกไกลสุดโยอดเลยเนื้อหาเป็นอย่างนั้นนะถึงโลกเขาก็เข้าใจธรรมะก็เข้าใจอย่าไปตอแยอย่าไปอะไรเขาและเราก็ไม่ใช่กลัวหรอกแต่เราจะไปให้เขาทําบาปมากขึ้น ถ้าเราไปต่อแย่เข้าไปกระทุ้งกระแทกเขาเขาก็ทําชั่วเพิ่มขึ้นเขาทําชั่วกับเรายิ่งบาปมากซับซ้อนมันไม่ควรเพนะราะคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องยิ่งกษัตริย์ได้รับชานด้วยอาขาดมาดร้ายก็หมากความอาชนะคาตการอะไรก็ามากเพราะงั้นก็อย่าไปต่อแย่เขานี่เราต้องรู้ทิศทางกันอยู่กับสังคมน ะ, ะลราเรื่องวินาศอัตามาจะไม่ขยายความมากมายกไว้ว่ามันหยาบใหญ่มันเรว ร, ร้ายเรวร้ายซับซ้อนด้วย ยังอยู่ในสังคมนี้ถ้าหยาบหยาบซื่อๆื่อเราก็รู้อยู่แล้วเราก็หนีง่ายแต่ไอหยาบที่ไม่ซื่อนี่มันเป็นสภาพซับซ้อนอยู่ในสังคมเราก็ต้องพยายามรู้แล้วก็พยายามเลี่ยงพยายามหลบเหมือนกันนะไม่ต้องไปต่อแย่ทีนี้วิปฤตวิปรตนก็จะกลึงยังมีสํานึกอยู่ในตัวบ้างแต่ก็ผิดทางแล้วในกรรมกิริยาของเขาในชีวิตการดําเนินของเขาเขาก็เดินผิดทา ง, างนั่นแหละ มันวิปริตแล้วเมื่อพูดถึงวิปริตแล้วอาตมาก็อยากจะเข้าลึกถึ ง, ถงวงการศาสนาเนี่ยอยู่ในสภาพวิปริตส่วนคนทําให้วินาศชิบพานมันมีอยู่แล้วในวงการศาสนาวงการศาสนาทุวันนี้ในของส่วนรวมอาตมาอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นวงการที่วิปริตละมันผิดทางมันแ ป, ปรปลวนละมันไม่ได้เดินเข้าหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเลยวิปริต แต่ก็มีว่ายัางมีฮิริอยู่บ้างกลัวบาปอยู่บ้างก็เลยไม่กล้าที่จะทําอย่างแหมรวมหัวกันเลยในทําผิดทานีนทําไปอย่างอย่างดึงดันเลยก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะอันนี้เหลืออยู่นี่แหละเราจึงรอด <c oughs> อํานาจบาดใจเขามีหมดเลยนะที่ยึดบัลลังกาศาสนาไว้เนี่ยอํานาจบาดใจมี จะทำร้ายทําลายเราอย่างให้ถอนรักถอนโคนทําได้แต่ก็ยังมีการเกลื่เกรงกลัวบาปอยู่เพราะรู้อยู่บ้างแต่โดยพุทธินัยโดยการกระทําจะนิตินัยที่มาออกกฎออกระเบียบอะไรก็ตามมาออกเองนะนะมันก็ไปย้อนแย้งที่สิ่งที่พระเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้จุดจุดต้องเยอะและอธิบายยืนยันกันเลยอธิบายยืนยันกันว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูก ไม่ต้องเอาอะไรหรอกที่อาตมาบอกว่าอุทิศส่วนกุศลไปถึงเพาะผู้ตายเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ใช่เขาก็ยืนยันว่านี่ถูกอาศัยหากินอยู่นั่นแหละใช้น้ำเป็นสื่อก็อยู่ในพระเต๋าบิดดอกชัดๆใช้ไฟเป็นสือ่อช้น้ำเปสือ่อมีน้ำรั่วมันมนรดน้ำมนก็ผิดอยู่แล้วในมหาศีลก็ชัดๆอยู่แล้วเขาก็อยู่รดน้ำมนตอยู่นั่นแหละหากินอยู่นั่นแหละ บอกว่าเสิรีเป็นเดรัจานวิชาเสกเปล่าโนนี่ก็ยังทํากันอยู่นั่นแหละแต่ก็รู้นะมันก็ไม่เคยถูกนักเพราะฉะนั้นจึงทําให้เขาเกรงเราว่าเรายืนหยัดยังไม่รุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตายว่าเออเองผิดก็ช่างข้าเป็นม้าป่าตัวที่หาเรื่องฆ่าฆ่าทําร้ายทําลายไปเลยแต่เขาก็ยังมีอันนี้อยู่บ้างเพราะาอยู่ในขั้นวิปริต วิกลนั้นแน่นอนมีอยู่ในกลุ่มหมู่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมาศาสนาสังคมของนักบริหารสังคมส่วนรวมทั่วไปวิกลนะเพราะในโลกียะมีทั้งผู้ที่วิกลมีทั้งผู้ที่ชนะชนะในสภาพที่จะระลึกถึงความดีแล้วเขาก็ทำความดีจนได้ สำหรับตนและก็สังคมรู้ว่าสิ่งนี้ดีดีแบบโลกียาเนี่ยไม่ต้องถึงดีโลกุตระนี่ยังไม่ใช่โลกุตระดีอย่างนี้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้เป็นกตันยุกตะเวทีอย่างนี้เป็นความขยันอดทนอย่างนี้เป็นความเสียสละอะไรกันแล้วแต่พวกน้กุศลทั้งนั้นดีเขาก็พยายามทาผู้ใดทำได้จึงชื่อว่าเป็นผู้วิชัยผู้ชนะผู้ทำได้ดีและถ้าเามีเปอร์เซ็นต์ในการกระทานั้นมาก เขาก็เป็นผู้ที่ได้สร้างกุศลอยู่ในสังคมมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาสร้างได้น้อยลงมันก็วิกลตไปเรื่อ ย, อยมันก็บกพร่องมันก็เสื่อมไปบ้างไปเรื่อยเรอยจรกระทั่งมันมากก็เป็นวิปริตนั้นมากขึ้นก็เป็นวิปริตเลยขีดวิปริตไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนหน้าด่า น, นาทนก็คือวินาศน เพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นี่เราไปตั้งเขตว่าอ้าวคนนี้จํากัดเขตให้อยู่พวกวิชัยก็ก็กําแพงให้อยู่ตรงนี้นะพ ว, วิกนก็ให้อยู่ตรงนี้รอบนอกรอบที่สองพ ว, วิปิดก็ให้อยู่รอบนอกก็ไปอีกใกล้ป่าช้าไปเรื่อยหรือใกล้นรกไปเรื่อยพ ว, วิหน้ากให้อยู่นู่นเขตนอกเลยอยู่นรกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม ไปกั้นเขตเป็นรูปธรรมเป็นอะไรแม้แต่กฎหมายก็ยังกั้นยากแต่มันเป็นโดยธรรมเหมือนกันเขาซุ้มหัวกันเขารวมกันอยู่มันเป็นเหมือนกันนี่แหละที่อาตมาเจตนาจะอธิบายอยู่ว่าในมนุษย์ชาติในสังคมนี้ภูมิพบอันนี้ไม่ได้หมายความถึงวัตถุธรรมภูมิพบอันนี้หมายถึงนามธรรมาและแสงผสมคละเคลา้าปนเปกันอยู่ในสังคม คนมีภูมิปัญญาก็จะรู้จักคบจะคบคนที่ในระดับวิชัยคนในระดับวิกลหรือจะคบคนในระดับวินาทคนในระดับวิปฤิตอะไรก็ตามใจส่วนวิชัยนะั้นมันมีส่วนดีก็เป็นตัวตัวที่ตั้งค่าไว้ให้ชัดเจนในสังคมโลกีย ะ, ะก็คละคล้าปนสลับซับซ้อน อยู่ในนี้ถ้าใครไม่มีปัญญารู้สัจจะซึ่งเป็นมีนามธรรมาเป็นตัวหลักมีพฤติกรรมซับซอ้อนเพราะในพฤติกรรมแสดงออกอยู่ในสังคมทางทำได้ทางกายกรรมวิจีกรรมด้วยมารยาทพูดอาจจะดีกายกรรมอาจจะสุภาพรู้ดี ด, ดูท่า ด, ดีต่างๆ น, น, นานาแต่ในพฤติกรรมเบื้องหลังหรือการครบหรือการสร้างกลไกการสร้าง องค์ประกอบของความดําเนินการดําเนินชีวิตมีหมู่มีพวกมีภาคตนเองไม่เป็นคนทํารอกจริงๆนอกจากไม่ทําและไม่สั่งด้วยแต่มีคนรองไปสั่งแทนอะไรเงี้ยมันเป็นระบบอยู่ใช่ไหมตัวคนนี้ไม่รอกแสดงท่าทีไม่สนใจหรือไม่ชอบเท่านั้นคนนั้นรู้สัญญาณแล้วไปสั่งการแทนหมดเลยตัวนี้ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไประบุไม่ต้องอะไรเลยหรือเปลยหลุดปากออกไปนิดเดียวคําเดียวถนวนจัดการให้เสร็จ สั่งการทําเร็วทําร้ายอะไรเดีวจะใช้เคชิงชั้นกลณเชิงวิธีการอะไรซับซ้อนไม่ให้เข้ามาถึงผู้เป็นหัวนี่ก็ได้นี่คือกลณวิธีของการดําเนินบทบาทที่ให้อยู่ในโลกในชีวิตในสังคมถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ดีไม่ดีเราไปประพฤติอย่างนั้นด้วยถ้ากิเลสเราแย่ถ้ากิเลส เ, เ, เราไม่แย่เรามีฮิริโอตปะเราก็ไม่ไปทําถึงขนาดนั้น ในสังคมโลกียะมีอยู่แค่นี้ะนะพระเถุติไฝธรรมะทีนี้ไฟคุณธรรมไฟสัจธรรมศึกษาสัจธรรมเป็นคนในระดับเพิ่มจากโลกียะอย่างที่ว่านี้นีโลกียะเต็มเต็มคนที่พยายามรู้จักกุศลก็ได้กุศลบ้างเป็นวิชัยทีนี้ในส่วนของกัลยาณชนทีนี้ในภูมิภพของกัลยาณชน เพิ่มเข้าไปอีกสองอันสูงขึ้นไปเป็นวิมานกับวิเวกกรลยานชนคืออนับจากวิเวกวิมานวิชัยวิกลสอยู่ช่วงกลางของ8ดวิหารวิมุตวิเวกวิมานวิชัยวิกลวิปริตวินา มันสอันนี้ตั้งแต่วิชัยมาในโลกียะสอันกลางเนี่ยนะหักวินาทกับวิวิปิดออกหักวิหารกับวิมุติออกกลางนี่มีวิเวกวิมานวิชัยวิกลกาลยานในชนที่นับขีดเป็นกาลยานในชนได้ก็คือมีความบกพร่องมีความเสื่อมมีความเสียมีมีส่วนวิวิกลบ้างนอกนั้นก็พยายามสร้างกุศลโลกียะ ไปเรื่อยๆคุศสโลกิยะที่อยู่ในกาลยาในชนยังไม่เข้าเขตของโลกุตระก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจแม้วิเวกว่าสงบสุดสูงสุดเพราะอนันธิหลายรัที่มากมายระดับที่ฤษีก็ตามระทัะที่อะไรเยอะแย ะ, ยะก็จะสร้างผลที่จะบรรลุหรือชนะหรือวิชัยที่ว่านี่เป็นคุณธรรมเป็นกาลยานธรรมไปสู่จุดวิเวกสงบประงับคื อ, อยูต ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวสังคมไม่ลาลาบยศสันเสริญโลกียสุขไม่เสพติดไม่อะไรต่ออะไรเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดดได้โดยวิธีของโลกียะจะกดข่มจะมีวิธีทำให้ตัวเองเข็ดลาบไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องทางโลกโลกียะโลกธรรมลาบยศสันเสริญโลกีสุขโดยวิธีใดๆก็พยายามหาวิธีมามากมายทาเอา ทรมานกายทรมานตนกดข่มทาสมาธิหรือเรียนรู้หรือแม้แต่ที่สุดมันจะติดกามเซฟกามให้เบื่อนายเลยเขาก็คิดวิธีทำอย่างนี้เป็นตน้นว่าไปสุดท้ายก็คือตังงับเป็นวิเวกตังงับได้ส่วนวิมานคำนี้นั่นเป็นเทวดาวิมานเนี่ยเป็นเทวดาคือจเจริญ จากการชนะเป็นสิ่งดีเป็นวิชัยนี่ขึ้นไปสู่เทวดาไปสู่พบภูมิสูงขึ้นเสริมขึ้นเสริมขึ้ น, เ ส, นเสริมขึ้นเรื่อย ๆ, ๆจะมีแนวคิดที่ว่าเป็นวิมานมักน้อยสันโดษและทําคุณค่าให้แก่สังคมเช่นศาสนาบางศาสนาเขาก็ลดตัวเองให้มักน้อยสันโดษแต่เขาก็ทำงานกับสังคม อ, อย่างเช่นคานทีเป็นต้นเขาก็ทางานกับสังคม มักน้อยสันโดดลงแม่ชีเทเรซาทำงานกับสังคมตัวเองก็มักน้อยสันโดดหรือนักบุญตั้งหลายแหล่ของาศาสนาหลายาศาสนาเขาทำงานไม่ใช่ดูสีเชิงดุสีก็ออกป่าไปเลยไม่เอาฐานอะไรเลยเชิงไม่ดูสีเป็นพวกสังคมก็อย่างาศาสนาคริสต์อย่างาศาสนา อ, อิสลามอะไรก็ตามเขาพยายามทำสิ่งที่ดีงานกว่าสังคม ศาสนาที่เป็นศาสนาอยู่ทั่วไปส่วนศาสนาใหญ่ๆเนี่ยเป็นเชิงที่ถ้าเป็นฤาษีนี่เป็นศาสนาใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ช่วยสังคมเป็นศาสนาใหญ่ไม่ได้ศาสนากระปิดกระปลอยศาสนาไม่ใช่กลุ่มใหญ่ส่วนศาสนาที่ทําประโยชน์กับสังคมนี่เป็นศาสนาใหญ่ได้ในศาสนาที่ศาสนาอิสลามนี่พยายามอยู่กับสังคมประสานสังคมทํางานทําการสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้ได้ หรือศาสนาอื่นใดใก็แล้วแต่เธอมันมีอีกศาสนาย่ๆๆอยเยอะแยะออกมาไม่ยกตัวอย่างละศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นต้นแต่เขาก็พยายามมากน้อยสะดดในวิธีที่อยู่กับสังคมนี่แหละเพราะจุดที่เขาจะชนะก็คือชนะกิเลส ข, ของตัวเองแต่ไม่มีวิธีรู้จักกิเลสมันพุทธเขาจะพยายามกดข่มเขาพยายามจะทํำแต่ดีสิ่งที่ไม่ดีพยายามลืมพยายามทิมยายาม้งพยายามลืมพยายามทิ้งีนวิธีของเขา พยายามศึกษาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นให้มากๆเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้เอาสิ่งดําเนินการในนี้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จึงเป็นกรรมสงบได้โดยกดข่มสงบได้โดยการลืมสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เจริญได้อยู่ในวิมานเป็นเทวดาชั้นสูงได้ได้รับการเคารพนับถือได้รับการยกย่อ ง, องเชิดชูได้สรรเสริญเยนยอ ซ้อนลงไปเขาก็เอาลาบมาแลกโดยจะพยายามเขารู้ว่าไปโลภโมทโทสันมีลาบมีเงินมีทองมีทรัพย์สินขานมากไม่ดีเขาก็มักน้อยสนโดดเหมือนกันกันกบพวกฤษีลดลาบและไปติดตาแหน่งยศศักดิ์ก็ไม่ดีเขาก็พยายามลดยศเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้สรนเสริญนะพระเจ้าสรนเสริญทุกคนสันเสริญยกย่อ ง, องเป็นนักบุญเป็นอะไรสันเสริญเขาก็ได้นะ เสพกามไม่ดีเขก็พยายามลดละบ้างเขาก็พอรู้ศาสนาอื่นก็พอรู้เหมือนกันว่ากามลดละได้ไม่ต้องไปเสพกามดีกว่าก็พยายามกดข่มและไม่รู้รากฐานของกิเลสจริงๆไม่เรียนรู้รายละเอียดเหมือนพุทธรู้จักอัศว์ทารู้จักตัวกามนี่กามมวิตกจริงๆนี่จับสภาพอาการของกามได้เขาก็ไม่ได้เรียนรู้นามมธทําเหมือนอย่างวิธีที่อาตมาเอามา สอนพวกเราแบบโลกุตระนะสรุปแล้วกลยันชนนี่ก็ครบก็ดีขึ้นมาจะดีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ความบกพร่องตัววิกฤน้อยถ้าวิกฤ์มากพิการมากก็ได้น้อยวิชัยก็น้อยยิ่งไปถึงขั้นวิวิมานวิเวกก็น้อยลงแต่ถ้าวิกฤก็น้อยวิชัยเอาชนะ ชนะไปนในทางธรรมได้มากชนะไปทางโลกีน้อยลงมากน้อยสันโดษลงอะไรลงอย่างนั้นเป็น ต, ตน้นเขาก็สู่ความเจริญเป็นวิมานเป็นอุปัติเทพหรือเป็นเทวดาชนิดที่มันไม่ถึงอุบัติพวกนี้เป็นสมมุติเทพเท่า น, นั้นเทพที่กดข่มถ้าอุปัติเทพนี่จะต้องเป็นตัวเกิดโอปปาติกะโยนิจิตปัญญานี้มีการเกิดใหม่โอปปาติกะโยนิ ซึ่งศาสนาพุทธนิรย์เลออมีอะไรทุกอย่างพวกนี้ชัดเจนนะไม่ได้เกิดทางจิตจริงๆโดยรู้การเกิดมีความรู้ถึงมีสัมมาทิฏฐิถึงขั้นว่าอัติมาตาอัติปิตาแม่มีพ่อมีอัติสัตตาโอปปาติกาเข้าใจว่าสัตว์โอปปาติกะมีมีเป็นอย่างไรแล้วแม่ที่ทำคลอดสัตว์โอปปาติกาไม่ใช่แม่ทําคลอดอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษาเราไม่ต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนหรอก อย่างเงี้ยพ่อแม่ตัวตนบุคคลแท่งก้อนนี้ไม่ต้องแต่พ่อแม่เป็นเสร็จศัจธรรมชื่ออาตมาบอกว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆศีนเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออย่างนี้และศีลมันจะทําคลอดให้จิตวิญญาณมันเกิดจิตวิญญาณสัตตอปปัติกาเป็นโลกุตระได้ยังไงปัญญาจะช่วยคุมช่วยสร้างให้จนเกิดจิตวิญญาณในคลอดออกมาเป็นโสดาสกิทาหรือว่าเป็นวิมุตต์หลุดพ้นหรือเป็นแค่ไม่วิมุตต์ก็ตามมีมรรคมีผลเกิดมาจริงๆได้อย่างไร ศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเขาต้องเรียนรู้ศึกษานามธรรมาพวกนี้จริงๆ จ, งจึงจะเป็นโล ก, กุตระแต่ถ้าไม่เป็นโล ก, กุตระศึกษาพวกนี้ไม่เป็นจึงอยู่อยู่ในระดับกัลยานชนตอนนั้นแต่วิธีกดของวิธีไม่ทําชั่วทําแต่ดีมีทุกศาสนาและมีปาฏิที่เข้าใจอันนี้และสอนอันนี้โดยวิธีของท่านเยอะแย ะ, ยะเพื่นจะมีปาฏิในระดับ พวกอย่างนี้มีมากมุนเวียนกันมาเป็นปราดกันเยอะไม่ว่จาจะเป็นของชื่อเหล่าชื่ออะไรก็แล้วแต่ทางด้านจีนทางด้านอินเดียทางด้านมันไม่มีปราดเป็นเจ้าลทัทธิแต่เมืองไทยนี่มั้งเนี่ยก็ประเทศอื่นเขามีจีนเขามีอย่างนี้เป็นตน้นอินเดียก็มีมากมาย นี่คือกาล ย, ยานกาลยานชนและก็มีอยู่ในสังคมโลกเนี่ยซ้อนอยู่ซ้อนกันอยู่สังคมมนุษย์โลกเนี่ยซ่อนกันอยู่เนี่ยภูมิกาลยานชนภูมิกาลยานธรรมสีวิกาลยานมิเภกวิมา น, นมิยัยวิกลอ่ะอทีนี้ตายขึ้นไปถึงโลกุตรละโลกุตระลกกตระเนี่ยก็วิหารนิมุติวิเวกวิมาน ถ้าจะเอาตัวหลักของพระพุทธเจ้ามาปรับเรียกเลยก็คือโซดาสกิทาอนาคาอารหันสีภูมิเนี่ยวิมานวิเวกวิมุตวิหารเนี่ยวิมานนี่แค่ศีนห้าวิมุตศีน8ปดว่ขอไปวิเวกศีน8ปดวิมุตศีนสิบขึ้นไป วิหารก็ไม่ต้องพูดวิหารเนีศีลทุกอย่างทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะมีอารหัตผลนี่อัตราที่ชี้ลงไปชัดๆเลยเพราะเรามาเข้าใจว่าวิมานหรือโซดาบันนีที่ว่าอาริยบุคคลคุณภาพของคนที่เป็น อรียบุคคลโสดาบันหรือคนในระดับวิมานเนี่ยก็คล้ายกันกับวิเวกก็คล้ายกันกับาอาฮะประอไปวิมานเนี่ยวิมานก็คล้าย ก, ก, กันกับวิชัยและก็มีวิกลวิมานเนี่ยเริ่มต้นมีวิเวกบ้างนะ มีมาเริ่มต้นมีวิเวกบ้างและ ว, วิเวกก็ต้องเข้าใจได้ว่าวิเวกของพุทธไม่ใช่วิเวกของฤาษีสงบไม่ใช่สงบอย่างฤาษีสงบอย่างรู้รู้สงบเพราะกิเลมันลดลงมันเบาบางลงหรือแม้มันดับสนิทอาสวะอนุสัยก็เรียนรู้ได้โซดาบันก็เรียนรู้วิมุติหรือดับอนุสัยได้เหมือนกัน สิ้นอาสวะได้เหมือนกันโซดาก็รู้สินอาสวะได้ให้ได้เหมือนกันในเหตุปัจจัยที่หยาบแล้วก็เรียนรู้โดยประมาติเรียนรู้อ่านจิตวิญญาณให้ออกแล้วก็ลดละลงไปปฏิบัติลงไปลดละจริงๆคนก็จะรู้ทั้งวิธีปฏิบัตินั้นถูกต้องเมื่อลดละลงแล้วได้รับ อ, อ๋ออารมณ์ลดละเป็นอย่างนี้อารมณ์จางคลายอารมณ์สงบเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจวิเวกแบบพุทธ ไม่ใช่กดขม่มมันสงบเพราะมันไม่มาทํางานเท่านั้นแต่มันอยู่ไหนได้ปราบตัวมันไปหรื อ, อยังมันตัวเล็กตัวน้อยลงหรือขนาดนั้นขนาดนี้เหลือเท่านั้นทีนี้คุณรู้ชัดเจนหรือศีไม่รู้หรือวัตรที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงทางของาศาสนาพุทธไม่รู้แต่พุทธนั้นรู้แม้จะวิเวกลงไปได้ไม่ได้มากเท่าฤษีฤษีกดข่มได้มากเขาวิเวกกว่าพุทธวิเวกกวโสดาบันได้สงบได้มากกวโสดาบันได้ เพราะเขากดข่มได้ โ, โห น, น, นิ่งสนิทเงียบกริบเลยเมื่อกระเดิกแต่เขาไม่ได้ล้างเหตุเขาไม่ได้จับตัวมันมาเฉือนคอเฉือนชีวิตของมันให้สั้นลงไม่เหตุจับกิเลสมาเฉือนชีวิตให้สั้นลงเขาไม่ได้ทำํำฤษีก็ไม่ได้ทําเขากลบเกลือนเขากดข่มเขาทําลืมๆเขาทิ้งๆมันไปเขาไม่ไม่ไม่เอามันไม่ดูดีไม่ศึกษาตัวมันเลยแต่ทําให้มันหนีไปจากตัวเองชั่วระยะหนึ่ง อาจจะนานเป็นร้อยปีอาจจะนานมากกว่าร้อยปีอาจจะสองชาติก็ได้ห้าชาติยังได้เลยเ้าก็กดข่มไปไงั้นเนี่ยพอรัฐที่นี้เขาศึกษากันอย่างนี้คุณเกิดมาชาตินี้คุณก็เข้าสู่รัที่นี้กดข่มชาตินี้กค็คนนี้นร้อยชาติคุณกดข่มได้มากเท่าไหร่ลราคิดดูสิคุณก็ศึกษาเข้ามาคุณก็เกิดมาวนเวียนมาก็เหมือนอยู่อาจารย์เก่านี่อาจารย์สายเดิมคุณก็กดข่มไปด้วยวิธีเดิมนี่ชาติแล้วชาติร้อยชาติคุณกดข่มได้นานเท่าไหร่ มันก็นานพอได้ใช่ไหมไปอีงหลายร้อยชาติมันก็กดของได้ยิ่งขึ้นอะไร ม, มันคือวิธีอย่างนั้นเพราะยังนั้นไม่ใช่โลกุตระแต่เขาก็สงบได้วิเวกได้วิเวกไ ด, กได้สงบได้แต่ยิ่งดีกว่าโซดาบันด้วยโซดาบันบคนบางคนสงบสู้เขายังไม่ได้เลยยังไม่ละเอียดละออเท่ามันยังเด่นงานแต่มันรู้ร มันได้แล้วได้เลยมันก็ค่อยอ่อนตัวไปตัวเล็กลงถ้าคุณได้สงบสนิทอีกเมื่อไหรจนขั้น ส, สามารถทําเป็นสมาธิอัปปนาพยพนาได้จริงแนบแนบ่นแนว่วแน่ได้จริงฤสีสู้ไม่ได้เพราะอันนี้มันตายสนิทตายอย่างรู้รตายอย่างมีภูมิปัญญาตายอย่างเห็นเห็นหน้าตายอย่างจับหัวใจมันมัดเถือนทิ้งเลยมันไม่เหลือเชือ่อมันต่างกันสงบต่างกันวิเวกต่างกัน นีอ่อธิบายไม่เวกให้ฟังเพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธนั้นมีวิมานมีความเป็นเทวดาที่มีความสุขที่มีความเบิกบานร่าเริงไม่ใช่แข็งทื่อคเคร่งเดียวหรือว่าตัดกับมนุษย์มนาตัดไม่รับรู้อะไรอะไรจะมีมารยาท หรือเรียกว่ามารยาก็ได้ความจริงใจเราไม่เ vale. ป็นแต่ข้างนอกเรามีมารยาคือเหมือนมารยาเหมือนหลอกเขาใจเราไม่ right. like <pton ian> ได้สนุกหรอกอาตมายกตัวอย่างเหมือนเราเป็นเล่นกันเด็กขายมะขายข้าวขายมะขามะแกงเด็กเล่นมะขามะแกง เราก็ไปเล่นกับเด็กได้ขายาของขาา้าวหมกแกงสนุกเงใจเราจริงจริงรถไม่มีรสชาติอัศว์ท่าไม่มีแต่เราก็ร่าเริงเบิกบานเป็นมารยาทสังคมหรือมารยานั่นเองมันคนไม่จริงใจเพราะใจเราศูนย์ใจเราไม่ได้สนุกหรอกแต่เราก็สนุกด้วยบทบาทลีลากับเด็กเล่นกับเด็กหรือกับสังคมกับผู้ใหญ่เบิกบานร่าเริงหัวเราะด้วยยิ้มด้วยเออดีสนุกเป็นอย่างนี้อนุโลมไปกับเขาตามควรตามพอเหมาะ ถ้าอะไรควรจะท่วงได้ก็ใช้ศิลปะวิธีเออออกของบอกกันไปกับคุณแต่ก็เตือนคุณให้รู้เตือนคุณให้อย่าเป็นเลิงกับมันลดละมันนํามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นโลกปรุงแตง่งเราลดมันได้ดีกว่าอะไรคุณจะให้ความรู้กว่ากันไปแต่ต้องรู้ฐานของบุคคลเราก็ต้องอาดุลมเขาบ้างตามฐานะเพื่อที่จะสัมพันธ์กับเขาได้เขาไม่รังเกียจเราและเราก็สามารถที่จะทําให้เขาเห็นว่าอย่างนี้เราดีกว่าอย่างโน้สู้ไม่ได้เราบอกเขาสอนเขาเขาก็เชื่อกฟัง ยอมรับนับถือก็ได้ประโยชน์ต่อไปเป็นการเผยแพร่เป็นการช่วยเหลือเขาได้ขึ้นไปเพิ่มเติม mm hmm. เพราะละักษณะของเทวดาของพุทธอวิมานเนี่ยจิเทวดาจิงเป็นเทวดามีทั้งส ม, มุิมีทั้งปรมัติ์ mm hmm. เขาแปลส ม, มตุติีสัจจะว่าผู้ที่มีความสุขผู้ที่มีความเป็นเทวดาในระดับ เขานำมานื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่ใช่พระเจ้าแผ่นดินได้ทุกอย่างสมัยสมุรณาญาสิทธิราชจะเอาอะไรต้องการอะไรที่จะมาบําเบลตนได้ทุกอย่างใช่มันก็เป็นเทวดาสมมุติที่สุดยอดเขาก็เลยแปลเอาแต่ว่าสมมติทสัจจะคือพระชจ้าแผ่นดินความจริงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นคนไหนที่ก็ได้เสพสมใจด้วยโลกียะในเสพสมใจเป็นเทวดาโลกียะด้วยอํานาจเงินโดยอํานาจ ทั้งอะไรก็แล้วแต่คือคนต้องยอมคนต้องจำน้นให้แม้แต่เป็นเจ้าพอ่อเจ้าพอ่อเออเองเอาอีนูน้ำไม้ข่าอะไรเป็นเจ้าพ่อมันก็มีฤทธิ์ได้มันก็เป็นเทวดาเป็นสมมุติเทพเหมือนกันแต่สมุติเทพที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเจ้าพอ่อเนี่ยมันเป็นความเร็วมั น, ม น, มนพวกที่ขี้โกงที่อะไรหรือแม้แต่เจ้ว่าไปแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าเผื่อว่าเขาไม่ยอมให้ ไม่มีคุณงามความดีเป็นห้องเต้ประเภทที่ซับซ้อนเนี่ยคนก็ไม่ยอมรับนับถืออยู่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเจ้าพ่อแต่ถ้าเป็นห้องเต้ที่มีคุณธรรมเขาก็ยกให้จริงๆทําประโยชน์ต่อประชาชนดูแล บ, บริหารปกครองทํานู่นทํานี่แม้ตัวเองจะเสเวยสุขโลกรีสุขที่จัดจ้านโดยกามจัดจ้า น, นอะไรแต่หน้าที่ก็ทํางานกับประชาชนประชาช น, ชาชนก็ยอมรับว่าเป็นประโยชน์คุณค่าช่วยบริหารช่วย ทำให้ประชาชนอยู่ที่มีสุขอะไรได้ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านได้แต่ส่วนตัวของท่านท่านจะยำเปยอะไรในโลกียะเขาก็ยกให้มีซับซ้อนมันยกให้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันแล้วโดยหน้าที่แต่เจ้าพ่อนี่มันเขาไม่ไยอมยกให้มันไม่มีตำแหน่งแต่มันสร้างตัวมันเองอ่ามันก็มันก็เป็นสังคมที่ขัดแย้ง สรุปแล้ววิมานหรือเทวดาของโลกียะก็เป็นเชิงโลกีย์เสพสมสุขสมได้หรือเป็นลูกโล ก, โลกแต่ของโล ก, กุตระนั้นถ้ายังเป็นวิมานก็แค่โสดาบันเพราะฉะนั้นคนโสดาบันก็ยังจะมีรถโลกียะในราคะในโทสะสมใจในเรื่องโกรธแค้นอาจจะมีมีอาการโกรธ นี่าการแก้แค้นอย่างเบาบางไม่ได้หยาบคายจนเกินการอะไระไม่มก็เริม่มอะไรก็ไม่ไปถึงกับฆ่ากับแกงอะไรอย่างไม่ก็แกล้งแกล้งหรือว่าให้คนนั้นได้รับความทุกข์ขนาดนั้นขนาดนี้ไม่ถึงกับขนาดทำร้ายทําลายผิดศีลห้าโซดาบันไม่ได้ผิดศีลหน้าแต่ก็แกล้งได้ทําให้เขาได้รับทุกข์สมใจ ที่โทสะมูลมันมีอาการพยาบาทมีบ้างพูดไปแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องส่สงเสริมให้พวกคุณเป็นโซดาบันเกรดอย่างนี้นะไม่มีได้ดีพูดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอนุโลมให้พวกคุณนะพูดแล้วก็ต้องทุบหัวไปด้วยไม่ใช่นั้นไปได้ว่าเ อ, อโสดานี่เราเข้าเขตโซดาเรายังเป็นหยาบหยาบอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาถ้าไม่ต้องหยาบได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงตัดเกรดของมันเนะ่ยตัดเกรดของมัน เพราะเขเป็นเทวดาประมาณอย่างนั้นแหละโสดาบั น, น, าา น, นก็ เ, นกร <ans> เริ่มต้นมีของโลกุตระมีทั้งสมมติมีทั้งปรมัตท<ศร>ในโลกุตระมีทั้งโลกิยะมีทั้งโลกุตระมีทั้งสมมติมีทั้งปรมัตในในในในโลกุตระนะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดกันน่บอกว่าเอาเอาพระอรหันเลย พระอรหันต์หมดรถและไม่มีอัศาธาแล้วไม่สนุกไม่ไม่สนุกกับรถโลกิยะแล้วแต่ท่านก็ยิ้มแยม้มแจม่มใสเบิกบานจะหัวเราะเพื่อที่จะเป็นมารยาทสังคมกับคุณเขาทัาก็ทำได้ท่านปรุงขึ้นมาทัาก็ทำได้็ล้ท่าไม่ได้ติดยึดอะไรแต่อนุโลมกับเขาพอเป็นไปเพื่อที่จะเกื้อกูลเพื่อที่จะประสานสมานกันแล้วคุณจะไปรู้กับพระอรหันต์ ถ้าพระ อ, อนาคามีท่านจะระวังพระอานาคามีนี่จะไม่หัวเราะมากเท่าไหรจะไม่ปล่อยโลกียะโลกิยะสารูออกมาเท่าไหร่พร ะ, พระอนาคามีนี่จะสวยกว่าพระอราหันต์มากเพราะท่านต้องระวังของท่านด้วยท่านต้องสังวรท่านต้องทำให้มันเกลี้ยงให้มันสิน้นท่านจะไปทําประมาทไปทําระเริงเต็มที่ยังไม่ได้เพราะหลักปัจจันของท่านยังไม่แข็งเต็มที่เมื่อยังไม่แข็งเต็มที่ท่านจะไปเทเดชปล่อยอนุโลมะ เดี๋ยวฉันตายเด้๋ยวเธอฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงจะรูปงามรูปแบบสวยสมณะสารูปจะดีกว่าพระอระหันมากพระอระหรนันนี่ดีไมด่ดีอย่างจี้กงพระอระหันนี่เพราะฉะนั้นคุณจะดูยากเข้าใจดีขึ้นไหมจะดูยากไปเข้าใจอรหรันบอกโอ้อยังงี้ไม่ใช่อนาคามีนี่เหนือกว่าอรหัน ง่ายเลยคนจะเข้าใจผิดง่ายๆเลยแต่นั่นแหละพระอาราหันต์ที่มีความสุภาพเรียบร้อยงดงามเมือนอนาคามีก็มีเห็นไหมจะไปเข้าใจตู่อีกไม่ได้ถ้าไม่มีวาสนาหยาบเลยพระอาราหันต์เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปอนุโลม์มากมายถึงอนุโลม์ึงอุโลมไม่ออกเพราะวาสนาของท่านไม่มีท่านทำปาปอย่างโลกอีอนุโลมกับเขาถึงท่าไม่มีรสแล้วละ่ะแต่ท่านต้องมีมารยาทสังคมต้องมีพฤติกรรมกรรมเกลี้ยงท่านสมานกับสังคม แ้วถ้ากม็มีวาสนาถ้าทําให้เป็นทําให้เก่งพระอาหารบางรูปท่านก็ทํางานเหมือนพระอนาคามีเนี่ยเก็ได้ให้ ม, มันซับซ้อนทังเยอะหลายชั้นเลยมันอย่าเดาดีกว่าอย่าเดาอาหารเป็นอันขาดอย่าเรียนรู้แล้วคุณจะรู้คุณจะไม่กล้าไปที่เด็เดาส่งใช่ไหมไปฉันเก่งฉันวัดได้ย่าเลย คนโล่งๆเลยศึกษาเพอเพลินๆวัดออก้อย่างนี้พวกนี้นะได้บาปเพราะไปตู่พระอริยะเจ้าเยอะเลยเขาไม่เข้าใจแล้วเราหลาบลราล้วงจับจ่วงเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาจับจ่วงโดยเขาไม่กลัวเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่พุงเขาเขาตัดสินของเขาเองอีพวกนี้ก็นามสานแล้วก็มันเป็นสัจจะอันหนึ่งเขาก็ได้รับวิบางเข้าไป ซึ่งเราก็พยายามจะไปตอแยเขาตอแยเขาเขาก็ได้บาปมากแล้วคนมีเมตตาแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาเกิดผลพวกนี้มากหรอกโดยใจบริสุทธิ์เนี่ยพอเราก็รู้อยู่แล้วถึงไปตอแยเขาเขาก็บาปเพิ่มขึ้นได้ไปทําให้เขาบาปมากทําไมมันก็ไม่ดีอะไรแม้เขาบาปมากเขานาๆเขาเขาก็มาย้อนถือหาเราอีกมันหยาบคายมาได้เรยังอยู่ในยังยังอยู่ในสังคมเดียวกันยังไม่ได้ตายจากกันไปเดี๋ยวมันก็มาเล่นงานเราอีกสวยเปล่า เพราะงั้นให้มันอยู่เท่านี้ก็ดีแล้วล่ะยามันเร็วกว่านี้เลยอยามันบาปมากกว่านี้เลยเดีย๋ยวมันม ก, ก็พุ่งมาถึงเราอีกแนจะว่าเรารักษาตัวเราไว้ด้วยก็ได้แต่ก็ยาให้มันเกิดผลที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกในสังคมในโลกในพฤติกรรมของโลกหรือของมนฐฐุษย์หรือของสังคมอยามันเกิดมา ก, ก็ดีกว่าใช่ม เ, เมมรต้องสังวรมากนะ ก็ต้องสังวรมากกว่าอนาคามีก็ตอ้องสังวรมากกว่าจะเป็นพระสารีบุตรจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่พระสารีบุตรถ้ามีวาสนาของท่านท่านก็ตอ้องสังวรมากหน่อยวาสนาที่มันลุกลึกมันหยาบมากกว่าท่านก็จะต้องสังวรของท่านมากแต่องค์ไหนท่านไม่ต้องมีวาสนาของท่นานมันไปสั่งสมมามันก็ไม่มีมากท่านก็ไม่ต้องสังวรมากก็กำไรเพราะงั้นพวกคุณจะไปสังวรหยาบมาเลยมันก็ต้องมาเป็นภาระของตัวเองกันแหละใช่ไหม ไ, ไม่ก็ทาอะไรหรอกอย่าไปอย่าไปทำมา ทำมาแลวันแม่ไอวาสนาบารมีนี่มันยากจริงๆริงมันลางนานหลายชาตินะเพราะถ้าไม่มีซะได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมว่าในความเป็นเทวดาเนี่ยอธิบายเทวดาอยู่นะทีนี้ความเป็นวิชัยนะความเป็นวิชัยเนี่ยของโล ก, กุตตระแท้ๆไม่ต้องแล้วมาเอาชนะพคารไม่ต้องอะไรลดลงแต่ ในฐานของโซดาบัลก็ยังมีเหลื่อมวิชัยอยู่บ้างเห็นไหมจะต้องมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะค้าคานอยู่บ้างแต่เปอร์เซ็นต์ต้องน้อยกว่าจึงจะเป็นพอโซดาบัลคุณยังมีใจที่จะเอาชนะค้าค า, านกว่า50รซ็ุนแรงกว่า50 60อย่างนี้ยังไม่ใช่คุณภาพของโซดาจเจ้าชนะค้าคานนี่ก็จะต้องแค่40ก็ยังถือว่ามากอยู่แล้วนะแต่เอาละก็จะงที่ไปยังสอบได้ อนี้เป็นต้นวิชัยเอาชนะฆาคารเอายังมีมานะยังมีเอาชนะกิเลสลึ ก, กเกเรของตัวเองชนะตัวเองก็ตามถ้ากิเลสตัวเองเป็นพระโสดาบันกิเลสตัวเองมันจะเอาชนะตัวเองเกินกว่า50มันไม่ใช่โสดาแล้วนี่กิเลสตัวเองเอาชนะตัวเอง40สอ่าอย่างนี้เข้าข่ายเราต้องให้คะแนนหรือว่าต้องตรวจพรงนี้เพราะมันเอาวิชัยมาอธิบายวิมาร เพราะฉะนั้นวิชัยก็ต้องด้อยกว่าวิมารวิมารจะต้องเป็นเปอร์เซนต์ต้องมากกว่าวิชัยมันยังมีกิเลสเอาชนะค้าการมีกิเลสการมชนะกามคือกิเลสของเราเป็นจะเอานะเอากรมกิเลสการมมันเอาจะเอาชนะเรากิเลสอัตามานะมันจะเอาชนะเราอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอยู่ในเกจที่เป็นเทวดาโลกุตระแล้วเป็นอุบัติเทพแท้ จะต้องไม่เกิน5 0าขึ้นไป40 30ได้ก็จึงชัดมันจะเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นให้คะแนนมันน้อยๆหน่อยถ้าความเร็วให้มันน้อยๆเปอร์เซ็นต์ลงถ้าความดีให้มันมากๆบอกเออเราชนะถึง70็ดปมันก็จะเผื่อไว้เพราะคนเรามันเข้าข้างตัวเองมันเห็นแก่ตัวเองมากกว่ามันําเอียงต้องตัดเกรดมันให้มันสูงๆไว้หน่อยนะมันจะขอเข้าใจนะที่อาตมาอธิบายในตัดเกรดตัดอะไรพวกนี้เนี่ย ถ้าเราเข้าใจความหมายผู้เหล่านี้เนี่ยเราพูดไปทั้งกรรมกริยาข้างนอกทั้งวัตถุทั้งอารมณ์ทางใจถ้าเราเข้าใจความหมายพรงนี้คุณก็ใช้หลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเนี่ยอธิบายพวกนี้ภูมิพบปอย่างเนี้ยเอาไปวัดตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้มักได้ผลจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ ในลักษณะวิมานลักษณะวิเวกวิเวกก็ต้องสงบระงับลงไปตามลักษณะของโล ก, กุตระทิแท้ไม่หนีไม่วิ่งหนีแต่ลักษณะจะไปอยู่ในที่สงบในที่สหัาไกลสังคมไกลแสงสีเสียงนั้นคุณก็ไปทดสอบได้คุณจะไปอยู่ที่าตายว้าเวเหียวเขาละโหยหาคุณก็จะต้องรู้ว่าเออเราไปอยู่ในป่าเขาถ้ามันจะ ต, ต้องระลึกถึงแสงสีเสียงระลึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสระลึกถึงโลกียะระลึกถึงอะไรต่อไร มันยังมีอะไรหว่วงหาอาววรมากน้อยขนาดไหนคุณก็จะไปพิสูจน์เพื่อความชัดเจนมีภูมิตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปคุณอยากจะไปลองดูนั่นหนึ่งสองห้ยหาหรือไม่ทางโลกียะสองแล้วจะไปติดสงบแบบฤาษีนั่นหรือไม่อีกมุมหนึ่งเลยโอ้โหอยู่อย่างนี้มาสงบอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตดีกว่าแล้วคุณก็อยู่สงบนี้ติดคุณก็ไปติดพบสงบนั่นอะ ความจริงมนุษย์ไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในที่สงบที่อยู่ในป่าช้าเขาไม่อยู่กับสังคมสามัญศาสนาพุทธสอนส า, สามัญสังคมธรรมดาเมื่อคุณไปติดยึดอยู่ที่นีน่ไม่เป็นประโยชน์อะไรทิ้งชีวิตนันหนึ่งไม่เป็นประโยชน์สองคุณชอบมันนะภพภูมิสงบงั้นหรือแม้แต่อยู่ในนี่ก็เหมือนกันแค่ก็อยู่ในรูของฉันอยู่ในห้องมันไปนะอยู่งี้สงบ พี่ไม่ไปไปยุ่งเกี่ยวกับนนนี่ไปทํางานนนนี่มากเรื่องไม่เอาเขาก็อยู่ในพับติดพับสงบใช่ไหมเข้าใจไหมนี่อยู่ในนี้่ไม่ต้องไปออกป่าก็าตามคุณก็ไปตรวดสอบมันกันอยู่ในนี่แล้วก็อยู่ในวังวนของเราเท่านี้ยไม่เกี่ยวข้องคนอื่นมาแล้วก็รู้สึกแมไม่ไมไม่อยากจะได้เกิดเรื่องไม่อยากจะให้กระตุ้ผัด คุณวางใจไม่เป็นแม้ข้างนอกนี่มันจะแรงมันจะร้ายมันก็ไม่แรงไม่ร้ายเท่าไหร่ในสัําไปในแวดวงของชาวโสมนี่มันก็ยังไม่จัดไม่จ้านเท่าไหร่แค่นี้คุณก็ยกังไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วลำคานวุ่นแสดงคุณยังอ่อนแอติดวิเวกติดสงบสงบฤาษีเพราะสงบพุทธมือจะสงบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสงบเงียบอยู่ในรู ไม่ใช่สงบของพุทธไม่ใช่สงบฤาษีอยู่ในเรี่ยวในรูเราสงบเงียบไม่ต้องมีสัมผัสไม่ใช่มีสัมผัสเป็นปัจจัยกิเลสมันสงบกิเลมันตายกิเลมันเลิกฤทธิดเดชอันนั้นต่างหากเราสงบของพุทธอยู่เนื้อมันอยู่ตรงนี้เขาจะมีฤทธิดเดชของผีสางซาตานโลกีจัดจ้านยังไงก็เหมือนน้ําแข็งกลางเตาล้อมเหล็กเขาอยู่ได้ไม่ละลายไม่หวั่นไหว พุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปติสัมผัสโลกธรรมจัดจ้านยังไงก็ไม่หวั่นไหววิเวกของพุทธเป็นอย่างนั้นต่างหากเมื่อเราเข้าใจวิมานกับวิเวกเราก็จะรู้ว่าวิเวกของพุทธนั้นเป็นวิมานที่สูงขึ้นได้ซ้าไปวิมานก็คืออยู่กัโลกเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์แรงเป็นเทวดาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติอื่นเขาได้เพิ่มขึ้นและ ผีสางแสกซ้อนอยู่ในวงเมืองนี้ก็มาทําร้ายเทวดาแท้ของเราไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าคุณอ่อนแออยู่บ้างมาริดเดดของผีสางพวกนี้ทําอันไอ้โซดาบันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนีผลากไม้ที่จุมโดยยาวจางนั้น่าจะไปตอแยเขา อ, อย่างนี้เราสู้ไม่ได้เอาไว้ก่อนให้ข้ามีมวรยุทธ์สูงกันนี้เดี๋ยวมาค่อยปาปะมือกันทีหลังตอนนี้วรยุทธ์เรายังไม่แข็งแรงอย่าพึง่ง ลบเลี่ยงก่อนในแวดวงขนาดนี้แวดวงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอาตมาพาพวกเรานีนออกไปสู่สังคมกว้างขึ้นมันจะหยาบคายมันจะจัดจานมันจะเละเลี่ยมมากระวังนะผีพวกนี้จะดึงไปรางคนใครยังบอกว่าเรายัางไม่ไหวเราอยู่ในแวดวงพี่น้องนี่ก่อนถ้าออกไปนวนปั๊บเราไม่ไหวไหวพริบเราไม่ดีเดี่แรงเราไม่แข็งแรงพอ แม้อัตามาจะพาเปิดสังคมกว้างขึ้นก็ระมัดระวังตัวด้วยแต่ละบุคคลแต่ถ้าใครคิดว่าพอสู้ได้ไปแต่ใครห้ามหามัม่งระวังอัตามาจะเคาะหัวฉันแน่ฉันเก่งฉันเก็บบุกก่อนเลยลุยก่อนเลยแล้วเราโดนเคาะหัวระวังสัญญาณเนี่มันต้องประมาณมันต้องดูแลควบคุมอัตามาจะต้องเปิดสังคมให้กว้างขึ้นให้อะไรอะไรไปพอสมควรวไปเรื่อยๆจนกว่าอัตามาจะ จะตายเมื่อไรยังไม่รู้อายุมากขึ้นถ้ากัทธรไม่ทําพวงนี้มันไม่ใช่อธิบายกันได้โดยภาษาเท่านั้นมันจะต้องมีประสบการณ์ต้องมีเรื่องราวจริงมีนิทานมีชาดกมีบทบาทซึ่งมันมีอีกมากที่บันทึกด้วยตําราบันทึกด้วยความความความรู้ที่จะสื่อกันด้วยวิชาการด้วยอะไรพรงนี้มันบันทึกไม่ได้อ่ามันละเอียดมันบางก็มีอะไรมากเกินกว่าที่จะบันทึก บางทีมันละเอียดลึกจนกระทั่งไปพูดภาษายัางไงยังพูดไม่ออกที่นี้ตายก็ไปถึงวิมุตตินี่ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะเราพูดถึงวิมุตติกันมามากมายแล้ววิมุตติก็คือสงบสนิทจิตสงบตั้งแต่มันสงบชั่วคราวสงบได้แข็งแรงขึ้นไปรับตามระดับตามลําดับจนกระทั่งสงบอย่างถาวรมั่นคงยั่งยืน เป็นวิมุตทอนอาสวะสิน้นนั่นแหะวิมุตเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นวิมุติแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่อยู่ในวิหาระก็อยู่อย่างผู้มีเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยคืออะไรเครื่องอาศัยก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยบ้างสิ่งที่เป็นองค์ประกอบต่างๆบ้างเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ผู้อื่นตัวเองไม่เกี่ยวเลยที่จริงเนี่ยจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เครื่อง โทรทัศน์โทรศัพ ท, ท, ท์จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องไปรังสรร์ไปสร้างสรร์เพื่อประโยชน์ผู้ อ, อื่นไม่ได้ไปทําประโยชน์ตนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นอาหารหรือเป็นวิหารทั้งนั้นปีบ้านมีเรือนหลังใหญ่ก็ตามมีที่ทํางานใหญ่มีที่ทํางานครบคันเครื่องไม้เครื่องมือองค์ประกอบเหมือนกับโลกโลกเขา นะเราทํางานอยู่นี่เราก็มีคนช่วยเหลือมีเลขามีผู้ช่วยมีอะไรมีโต๊ะมีต่างมีตู้เอกสารมีอะไรอีกเมื่อกระสานงานของทั้งโลกเขาเป็นได้แต่ผู้ที่วิหาระแล้วนี่อาศัยเครื่องอยู่เหล่านี้แล้วนี่อาศัยอย่างปฏินิสักะแล้วเราจะฝึกฝนไปตั้งแต่วิมุตต์เนี่ยวิปฏินิสกะเนี่ยเราจะศึกษาอวิธา น, นิจานุ ป, ปัตสีวิราคานุ ป, ปัตสนนีนิโรตนิโรทานุ ป, ปัตสี ปฏินิสขานุ ป, ปัเสีจะต้องเห็นต้องศึกษาไปตามลําดับเลยกว่าจะเป็นพิมุติเป็นอรหันตอรหันเนื้ออนาคาอรหันขึ้นไปอรหันอนาคาไปหาอรหันต้องศึกษาจนกว่าจะเป็นอรหันสู่สภาพภูมิวิหาระเนี่ยคุณมีเครื่องอยู่อย่างเหมาะสมมีเครื่องอยู่อย่างเป็นประโยชน์คุณค่ามีเครื่องอยู่อย่างคุณไม่ติดวิหาระไม่ติดอาหาระไม่ติดเครื่องอยู่เครื่องอาศัยพวกนี้ได้เลย อยู่เหนื้อมันหมดแต่คุณใช้มันเป็นเท่าที่คุณสามารถหรือเท่าที่เราจะมีบุญมีทุนมีรอนหาได้น่ะอา้าก็สรุปลงไปเลยตีหัวเข้าบ้านสรุปก็คือว่าแม้แต่วิหารวิมุตต์วิเวกวิมานก็ตามเราจะมากั้นค อ, อกว่าวิหารไม่จริงเลยวิหารนี่แหละท่านไม่อยู่ในค อ, อกเลย ท่านจะอยู่ปนกับพวกเราเคลา้เคล้าหมดกับใครก็ได้เพราะท่านเข้ากับใครได้สมานกับใครได้หมดวิหารเเพราะฉะนั้นไม่ใช่ ว, วิหารคือสการข้ อ, อท่านอยู่กลางนี่อย่างนี้ลิกเนี่ยนะแข็งกันมันเหมือนกับแก่นไม้นะวิหารนี่ถือว่าสูงสุดแก่นไม้แข็งที่สุดเห็นไหมมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นกลับกันโอ้ผู้วิหารธรรมนี่อยู่ปนกับพวกเราเนี่ยอยู่เข้ากับคนต่ำคนสูงคนอะไรได้หมดเลยวิหาร มิมุก็จะอยู่คร่าได้เหมือนกันแต่จะมาดงามอนาคามีมาดงามกว่าแม้แต่วิวเวกในสกทาคามีก็จะมีการสังวรสํ่รวมระวังบางคนก็จะเหมือน อ, อนาคามีบางคนก็จะเหมือนโสดาบันจุนจานหน่อยเจียวเจ้าหน่อยก็แล้วแต่จริตของสกทาคามี จะไปในทางที่เรียกว่าสังวรระวังมากสงบระงับเยอะเป็นวิเวกที่มากหรือเป็นวิมานที่มากนะสกทาคามีสงบระงับมากหรือว่าจ ะ, ะกับสังคมในเทวดาผู้มีสีสันมากก็แล้วแต่สกทาคามแาาีแต่ก็ต้องน้อยกว่าโสดาบันแต่ก็ต้องน้อยกว่าโสดาบันนะ สรุปแล้วก็ต้องรวมกันแม้แต่4ภูมินี้ของโลกุตระนี้ก็ไม่ได้ไปกั้นขอบทุกวันนี้เรากําลังเปิดกว้างเพราะฉะนั้นเราเคยพูดอาตมาเคยพูดว่าเออนี่เราจะมีสีแดนแนะ่แดนวิมานแดนวิโมกวิมุตอะไรที่เคยพูดแต่ก่อนตั้งชื่อว่าวิมานวิโมกวิมุติวิหารแต่นี้เปลี่ยนวิโมกออกเป็นวิวเวกแล้วนะสีแดนนี่เราจะมีก็พวกเราก็ตั้งอาตมาก็เอาขอตอนนะั้นปล่อยไปเงินก่อนให้เข้าใจว่ามันมีเหมือนสีเขต แล้วก็จะกั้นขอกั้นเขตกันตรงนี้อย่าละา่ำลงไปนะนี่ตรงนี้น เ, นะน เ, นเขตวิหารห้ามโผลวิมานเข้าประเดี๋ยวจะไปวุ่นวายจุนจ้านอะไรโมวิหารท่านไม่ต้องไปห่วงกันรอท่านไม่ต้องเข้าหรอกท่านออกมาเองวิหารท่านมีเครื่องอยู่ที่แน่นอนแล้วทั้งแข็งแรงได้ไเห็นไหมมันชัดมันจะไม่เหมือนกับที่ตรเข้าใจนะเพระาะศาสนาพุทธนั้นมีเหตุมีสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยมีเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้หนี เพราะฉะนั้นจะอยู่กันตรงวันนี้เราจะมีโสดาส ก, กิทานาคาอยู่รวมกันคลัาคลแต่ภูมิธรรมถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอ๋อคนนี้รูปนี้สมณะก็ตามสิขมามก็ตามหรือแม้แต่าาคารวะก็ตามนี่อ๋อคนนี้ในภูมิมีวิหารภูมิคนนี้มีวิมุติภูมิคนนี้มีวิเวกภูมิคนนี้มีวิมานภูมิคนนี้แห่แหวิชัยภูมิมากหน่อย คนนี้ยังมีวิกฤภูมิเยอะอยู่เหมือนกันนั่นก็จะชัดแต่ระวังอย่าให้มันเกิดถึงคําวิปริตภูมิวินาศภูมิล่ะหวังว่าวินาศภูมิกับ ว, วิปริตภูมิคงจะไม่มาเทีเพลนผ่านอยู่ในแวดวงของชาวเราเพราะฉนั้นชื่อคำแปดชื่อนี้มันเท่ากับกำหนดสภาพของบุคคลที่มีภูมิมาทำแปดวิ พอเรดูไปในสังคมทั้งหมดเลยเห็นไหมภูมิวินาศคนพวกนี้ยังอยู่ในภูมิแค่ขคันวินาศคนคนนี้อยู่ในแค่ขคันภูมิของวิปริตคนนี้อยู่ในแคร์คันดวเาจะไปตรงจะไปกำหนดจะไประ บ, บุจะไปชี้ไปกําหนดตังค์เขามากนะอะไรเดี๋ยวเราโดนปืนมาอัตมาไม่รับรองไปเที่ยวแต่แหมคุณแค่ภูมิวินาศอะไรเดียด๋วยวคือคุณถูกปืนปัสตั้งจิงเงาตายก็ไม่รู้ด้วยนะ จะหาวัตมาไม่เตือนไม่ใช่วัตมายุนะเราก็ดูศึกษากําหนดไปแต่ก็จะไปไปยึดมั่นถือมั่นจะไปจริงไปจังนะว่าเรายังไม่แน่ชัดยังไม่เก่งพอแต่อัตมาก็บอกไปคร่าวๆยิ่งเพิ่งจะหยิบมาอธิบายวัตมาเพิ่งให้เพิ่งบอกให้เรียนรู้ยังไม่เก่งอะไรใช้เครื่องมือยังไม่เป็นเครื่องมือก็ยังไม่รู้กันสมบูรณ์ดีแม่คนิกมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้องค์ประกอบเป็นยังไงไม่รู้วัดแล้วมันจะได้คาอะไรมันยังไม่เป็นเท่าไหร่ยิ่งเพิ่งไปอวดดีมาก แต่ก็รับรู้ไปก็ค่อศึกษาอาตมาคงจะต้องบอกแล้วว่าจะต้องอธิบายอีกหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ขยายความกันแม่ภูมิแปดวินี่ก็อยากที่กล่าวนี้เพราะงั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็มีตัวจริงมีสภาพจริงในตัวเราเองด้วยมีตัวอย่างเพื่อนฝูงที่มีด้วยเราเข้าใจได้หมดทั้งแปดวินี่มากน้อยอะไรก็ตามตามแต่ใครจะมีภูมิปัญญาสามารถรู้ได้เราก็จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้อย่างพูดรู้ว่าเออ คนนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ต้องดูถูกกันแม่เขาจะเป็นคนอยู่ในภูมิวินาทก็จะไปดูถูกเขาวินาทก็คือนรกมหานรกนั่นแหละพวกคนนรกชาวนรกนั่นแหละนะวิปริตก็นรกค่อยชั่วขึ้นหน่อยแม่จะเป็นวิกลก็จะเป็นอย่างรถนรกที่เบาบางนะวิชัยก็ถือว่าเป็นสวรรค์กันแล้วกันนะมันก็อยู่อย่างนั้นไปนะก็มีสวรรค์น้อยไงภูมิโลกีนี่มีสวรรค์น้อยนอกนั้นนรกกันเยอะ ส่วนโล ก, กุตระก็มีสวรรค์แท้กันมากมีไม่มีนรกเลยนะเพราะงั้นสโสดาบันขึ้นไปจึงพ้นอบายไม่มีอบายแล้วส่วนกัลยาณชนนั้นยังไม่ค่อยรู้ชัดเพราะยังจะมีอบายอยู่อย่างซ่อนๆอนถ้าใครมีปัญญาดีจึงจะอ่านกัลยาณกัลยาณชนนี้อ่านยากนอกจากไม่ใช่กัลยาณชนผ่านชนหรือว่าชาวโลกีหยา บ, ยบๆก็ ยิ่งซับซ้อนอยากแต่จัดอยู่ในพวกโลกียะยา ก, ยากแต่มันซับซ้อนอ่านยากพวกนี้นะมันมีอยู่ในสังคมฉลาดมากอัมพรางเป็นอัมพรางเก่งสร้างค่ายคนใ้แก่ตัวเองมีภูมมีคนคุ้มกันมีตัวออกรับหน้าตัวเองไม่ต้องแสดงเหมือนอย่างหนังจีนนี่ตัวอะไรตัวจางซูเหลียนตัวผู้อํานวยตัวอะไรใหญ่ตัวใหญ่ไม่มีใครเห็นหน้า เนหนังใช่ไหมไม่มีใครเห็นหน้าหรอกมีแต่พวกพวกที่ออกไปด้านอย่างใส่หน้ากากเลยออกไปรับกับสังคมไอ้ตัวจริงนั้นไม่มีใครเข้าถึงพวกที่ใส่หน้ากากในบางทียังไม่รู้จักหน้าตาของตัวตายใหญ่เลยอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องของสังคมจริงๆมันเขาทาเป็นเรื่องของรูปธรรมให้เรารู้ศึกษานะจริงๆแล้วหน้ายใหญ่เสนอหน้าอยู่ในสังคมนี่แหละ เหมือกัะใครไม่เห็นแหละเพราะว่าทุกอย่างบังพลางไว้หมดเลยไปรู้จักแต่ลิวล้วรอเอ้นี่คนนี้เป็นคนมือไม้แต่เป็นคนอยากคนผิดผิดอยู่ที่คนนี้เนี่ยสังคมไปโทษคนผิดตัวนี้ความเกียงระตัวการใหญ่นั่นนะคนนี้เป็นคนรับไปเนี่ยมันซ่อนนี่สังคมมันซ่อนมากนะเอาละเราก็เข้าใจสภาพพวกนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็ตอนรับไม่ใช่ตอนรับรับมือ ใช้ภาษาคำว่าต้อนรับผิดรับมือกับสภาพพวกนี้ให้ถูกแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งตัวเราและสังคมด้วย เ, เกินเวลาไป10นาทีได้ตามเอกลักษณ์ของโพธิรักษ์เอวัง